ใช่ครับแต่ถ้ามีประเด็นอะไรต่างๆที่จะเพิ่มเติมหมอรัตพง์ก็สามารถเพิ่มเติมให้ได้ด้วยทีนี้วันนี้วันนี้ต้องขอพูดถึงตอนตอนสองตอนที่แล้วนิดหนึ่งเพราะเป็นตอนที่จัดเดี่ยวใช้เดี่ยวไหนก็เป็นตอนที่มีตอนตามใจฉันด้วยเหมือนกันท่านผู้ฟังลองท่านก็ต้องการตอนตามใจฉันมากหน่อยก็จะค่อยๆทาไปนะทีนี้วันนี้เรื่องที่เตรียมมา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 กายวาจาและอาชีวะของเขาเนี่ยก็บริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิม <ố 35. S 1> เพราะฉะนั้นคนที่ทําแค่นี้ก็ชื่อว่าสามารถทํำอริยมรรคมีองค์แให้เกิดขึ้นได้ครับ <Selena. S 1> ทีนี้ <lineup. S 1> เวลาที่เราสังเกตลมหายใจอยู่ใช่ไหมรู้ลมหายใจหายใจเข้าก็มีสติหายอาอกก็มีสติเนี่ยอพออริยมรรคมีองค์แจเจริญแล้วเนี่ยตรงนี้นี่นนะทำได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะอยู่ในที่บ้านนั่งคู้ขาอยู่ไม่จําเป็นคุณอยู่ในรถ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 ฟังคำอธิบายมาแล้วก็ชัดเจนว่าอานาปานัสติเนี่ยคือทางที่จะเจริญองค์มากได้พร้อมๆกันมีวิธีปฏิบัติแนวในหมวดอื่นไหมครับท่านที่ ท, ที่จะทำให้มักทั้งแปดองเจริญขึ้นพร้อมกันในในรูปแบบ ท, ที่แบบดูลมหายใจนะครับจริงๆแล้วโดยพุทธวจนะเนี่ยรตรงที่บอกว่าการมีมักแปดเกิดขึ้น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 ตัวสัมมาสติสัมมาทิทฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสมากมัมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยห้าอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยมีสมมาทิทฐิมาด้วยอ๋อจะเป็นเจริญมาด้วยกันใช่มีสมมาทิทฐิมาด้วยมีสัมมาวามามาด้วยมีสัมมาสติมาด้วยอ๋อสัมมาสัมมาทิาหมายความว่าไงคือหมายความว่าไง หมายความว่าคนที่รู้สัมมาสังกปะว่าเป็น ส, มสัมมาสังกปปะรู้มิจฉาสังปะว่าเป็นมิจฉาสังกปะอันนี้คือมีสัมมาทิฏฐิอ๋อครับรู้สัมมามกาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจารู้มิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาอันนี้เป็นสมัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกันกับกรรมตัและอาชีวะครับอ่าเพราะนันเห็นว่าจะเห็นได้ว่าไอ้อย่างแรกเนี่ยาอย่างของปริมารมีองแแรกเนี่ยนะอย่างแรกเนี่ยนะจะมีสามอย่างหลังตามมาหมด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 โปรชงเจ็ดด้วยใช่ครับซึ่งโยงสติประทานสแล้วก็เช่มโยงโคชงเจ็ดใช่ไหมครัพรมีโปรชงเจ็ดแล้วก็เลยมีอรลยมัสมีองแปดอืใช่ครับก็จะครบเจ็ดหมวดล้อ่าก็จะมีอ่าสมัครอ่าอสติประทานสี่สมัคประานสี่ิิาสี่พรละห้าอินซีห้าอโรชงเจ็ดโชงเจดอมัสมีองแปดและอะลิมัสมีองแปมีทั้งหมดเจดหมวดรวมกันได้ส7มสิบเจ็ดมสเจ็ดข้อ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 ใช่ต้องอพูดก่อนว่าไอส้สัมมาวาจาส่วนที่เป็นเรื่องของคำพูดเพอ์เอร์คืออะไรคำพูดเพอ์เอร์เนี่ยคือคำพูดเพอ์เอร์เนี่ยคือวาจาทีา่ไม่สมควรแกี่วเวลานะไม่ใช่คำจริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นทําใไม่เป็นวิ น, นัยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องที่ไม่สมควรเกี่ยเวลาแล้วเอามาพูดเวลานั้นอันนี้ไม่สมควรเช่น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 ใช้คำว่าหาตึงเลยนะครับพูดจริงถูกไหมทำให้เราทราบว่าเออคนอื่นไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าท่านก็ยังสามารถมีมุกตลกได้ใช่ท่านคลองสติได้แล้วก็เหมือนว่ายิงมุกออกมาผมว่าส่วนหนึ่งคือตัดความกังวลใจของของของท่านไพบูร์ซึ่งกำลังกังวลว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าท่านยิงมุกกลับมาบอว่า เพียรพร้อมด้วยสติอและคำปัญญาเะนันเป็นสิ่งที่ทําได้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการเนี่ยอาตมาต้องการนี้ว่าให้ให้ส่งเข้ามามีมุกตลกไหมที่ว่าเป็นมุกตลกสามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นคําพูดจริงนะไม่ส่อเสียและไม่หยาบด้วยเราจะได้รวบรวมตรงนี้เผื่อว่าเอาไปใช้งานในเป็นมุกตลกต่อๆไปอหลวงตาบัวก็มีหยวตามหาบัวครับ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 เผู้ให้เนี่ยถ้ามีศรัทธาในก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้อสามอย่างนี้ก็ชื่อว่าก่อระหว่างหลังคพร้อมละผู้รับมีคุณสมบัติสามอย่างนี้ไหมมีราคาโทสะโมหะเนี่ยหมดแล้วหรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อหมดไปซึ่งราคาโทสะโมหะอเพราะนั้นราคาโทสะโมหะใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามีสามอย่างนี้ครับเขามีสามอย่างนั้นให้กันแล้วโอ้โหดีมาก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 จะเป็นจีวรก็ได้อาหารก็ได้อาหารเซนาสนั้นนี่คงรับไม่ได้รับไม่ได้ในบาทแต่หมายถึงว่าเป็นเ็นขาเรียกว่าอะไรยารักษาโรคอย่างเงี้ยรักษาโรคโครสดแต่แต่ปัจจุบบาทจริงๆริะนะก็คือหมายถึงชามอย่างเงี้แหละบินทบาทก็คือรับข้าวที่ตกลงในในภาชนะเพราะฉะนั้นบาทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงอาหารเท่านั้นอาหารที่สำหรับบริคใช่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 ครับอืมโอเคคุณจรีคงน่าน่าจะน่าจะเข้าใจหรือว่าถ้ายังไม่เข้าใจหรือมีคําถามเพิ่มเติมส่งมาได้นะครับยินดีเลยนะครับเราจะได้สื่อสารกันนะครับครับเพราะฉะนั้นคําถามนี้รู้สึกว่าหมดแล้วในในตอนนี้ครับตอนต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปาทลจะเรื่องปฏิจจสมุปาทในลักษณะที่ว่าเราจะอธิบายปฏิจจสมุปาทในลักษณะที่ท่านผู้ฟังจะเข้าใจได้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 แล้วก็วามาทิ้งคำถามไว้ที่หน้าพอดแาสต์หรือรว่าจ ะ, ะช่องทางอื่นก็จะเป็นทางบล็อกนะโพสไว้ที่โพสไหนๆก็ได้ในบล็อกนี่แหละเปียวธ ma. มะคออืมครับครับก็วันนี้โอหอินเอมกับธรรมะนะครับก็ขอกราบนมำสการพระอาจารย์ไพรบูลครับ<แ>ปคุปโนแห่งวัดป่าดอนไห้โศจังหวัดอุดรธา น, นีครับเรพอแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปเท่านี้แหละครับ สวัสดีครับ